การเป็นอยู่ของสัตว์โดยธรรมชาติเป็นกรรมหรือไม่ตัวอย่างเช่นแมวกินหนูหรือพมเข้าซานเป็นต้นก็นเป็นม่นเป็นธรม ร, รมชาติมันเป็นอาหารของสัตว์แมวมันกินหนูมันเป็นอาหารของมันมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้าม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 สุตสาพโพธิระเรียนพระไตรปิฎกจนจบแตกสารในพระไตรปิฎกแม้จะไปเทศไปทำที่ไหนคนได้ยินเสวอพระสุตสาพโพธิระไปแล้วแม้พระสุตสาพโพธิระพูดผิดก็ต้องฟังพูดทุกขก็ต้องฟั ง, งกลัวอำนาจกลัวความรู้กลัวความเข้าใจจะโต้อตอบไม่ได้เอาชนะ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 การสอนก็ต้องสอนด้วยปัญหาเนี่ยคนที่มีปัญญาไปอย่างนี้สอนมัน เ, เรื่องวะอาจารย์มีจูมโพลจูมหนึ่งมเนี่ยแล้วมีหูอยู่หกหูแล้วมีเฮียอยู่ในจูมโพลท่านตัวหนึ่งแล้วจะจับเฮียได้โดยวิธีใดจะเอาเฮียโดยวิธีใดอาจารย์เป็นผู้แตกสารในการเรียนแล้ว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 หันใจไม่ได้มันจะ อ, ออกมาหันใจข้างนอกเพราะมันอบอา้าวแล้วอัดไว้ทั้งหมดแล้วห้ารูนะยังเหลือรูเดียวมันต้องออกมาโฮนะนั่นเองพอดีมันออกมาก็เอาคอนตีเอาหรือจะจับออกก็ได้นี่มันเป็นวิธีอย่างนี้เนยเนวเนก็เลยบอกเหมือนกันและอาจารย์ที่อาจารย์สอนมานะ่ะจะว่าขันห้าก็ได้ อายตนะก็ได้ท่าสิบแปดอินทรีย์ยี่สองอริยสัจ ส, สีปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่จะสูตรแล้วแต่จะพูดอวะมจริงแล้วมาจากใจมาจากใจเพราะเราไม่เคยเห็นใจเราใจน่มันอยู่ที่คนตาหูจมูกกายลิ้นใจเนี่ยนียกว่าอายตนะภายในหก